น, นี่ความว่างนี้เป็นมหาสุญญตาไม่ใช่ความว่างแบบช่องว่างพวกเรายังไม่เห็นกุฏิชนจะไม่เห็นความว่างเชนิดนี้แค่รู้สึกรู้สึกพอพอรู้สึกได้บ้างอย่างเวลาเราไปอ่านหนังสือเซนนะบางทีเรารู้สึกแปลกแปกใครเคยรู้สึกไหมเวลาไปอ่านหนังสือของเซนใจจะรู้สึกแปลกแปกเหมือนมองโลกแล้วมันหมูงหมูง่งในชอบกนอันนั้นคล้ายๆหรอกพอคล้ายๆ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 จะทำได้ด้วยความขยันขันแข็งแบบคนทั่วๆไปด้วยซ้ําไปทำเร็วกว่าคนปกตินะอย่างหลวงพ่อเวลาทํางานนะเราดูข้อมูลเราจะเขียนอะไรเป็เพื่อสักชิ้นหนึ่งเนะี่ยเราดูข้อมูลทีเดียวเสร็จแล้วไม่ดูอีกแล้วไม่วางพลาที่จะเขียนเดินไปที่คอมพิวเตอร์คจริงไม่ได้เดินอนะ่ะเพราะที่โต๊ะมีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยนะก็เขียวไปเลย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 ขัดคำสั่งครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่วัดป่าไม่ได้เลยกระเด็นเลยแล้วก็เฉยๆพรากว่าพวกรถัวมายเยอะแยะเลยพวกอรหันต์พวทรวบหลายๆวัดนะนะวัดโน้นวัดนี้นะโซเซเข้ามายามเย็นยามค่ำโห้ยกินเหล้ า, มาเมาแหมาดูมาเอาบุญนะมาเอาเหม็นหึงมาเลยน้ำท่าก็ไม่อาบนะ <c oughs> นอนก็นโกมกลา ง, งโกค่ม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 ท่า น, นอนบางองนะนอนอยู่บนเตียงกระดิกไม่ไหวละโอ้ยของไฟยัางงามคารวาดไม่ทันจะแก่แกส่วนมากก็ตายซะก่อนสังเกตไหมผู้ชายแก่ๆนะมีแต่พระนะคารวะตแก่ๆที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยมีหรอกตายเร็วเอาแรงไปทำชั่วหมด <laughs> แรงไปกินเหล้าเมายาบอลโลกมาก็ต้องดูโต้รุ่งไม่ตายเร็วได้ไง